สัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเนคขมะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั่นแหละไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา อุเบกขาเช่นนี้นั้นย่อมล่วงพ้นรูปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมะ 2. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั่นแล 3. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแล 4. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั่นแล ห้าอุเบกหาย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่โพธพภะทั้งหลายนั่นแลหกอุเบกหาย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าธรรมารมในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้นั้นย่อมล่วงพ้นธรรมารมได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมมะอุเบกขาอาศัยเนคขมมะหประการนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ พวกเราคำนี้ไว้ว่าในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายจงอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอันอาศัยเนกขมะหกนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโสมนัสอาศัยเรือนหกนั้นเสีย การละก้าวล่วงโทมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโทมนัสอันอาศัยเนคขมะหนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมนัสอาศัยเรือนหนั้นเสียการละการก้าวล่วงโทมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้น เธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนคขมะหนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขา อ, อาศัยเรือนหนั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขาเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอันอาศัยเนคขมะหนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมนัส อ, อาศัยเนคขมะหกนั้นเสีย การละการก้าวล่วงโทมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนคขมะหนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงสมนัสอาศัยเนคขมะหนั้นเสียการละการก้าวล่วงสมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ ทั้งหลายอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันก็มีอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัย อ, อารมณ์ต่างกันก็มีเป็นอย่างไรคืออุเบกขาในรูปก็มีอุเบกขาในเสียงก็มีอุเบกขาในกลิ่นก็มีอุเบกขาในรสก็มีอุเบกขาในโพธะก็มี นี้จะเป็นอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเป็นอย่างไรคืออุเบกขาที่อาศัยอาการสานัญจายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานก็มี อุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนาชานก็มีนี้จัดเป็นอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันในอุเบกขาสองประการนั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันนั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้ มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอะตมมยตาแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสีย นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสติปฐานสที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะ เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายศาสดาในโลกนี้เป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นยอบไม่ฟังไม่เงี่ยโศสดับไม่ตั้งจิตรับรู้ และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมและไม่ถูกโทสะรั่วรสมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปทานประการที่หนึ่งที่พระอริยเศพซึ่งเมื่อเศพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะอีกประการหนึ่งศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์ สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นบางพวกไม่ฟังไม่เงี่ยโสโสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคาสอนของศาสดาบางพวกฟังด้วยดีเงียโสโสดับตั้งจิตรับรู้ ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตก็ไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมไม่มีใจยินดีก็มิใช่ไม่ชื่นชมก็มิใช่เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดีทั้งสองอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปฐานประการที่สองที่พระอริยเเสพ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 ตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตมีใจยินดีชื่นชมและไม่ถูกราคารั่วรสมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฐานประการที่สที่พระอริยะเศพซึ่งเมื่อเศพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะคำที่เรากล่าวไว้ว่า พระอริยะเสพธรรมคือสติปทานสามซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เพราะกล่าวคำนี้ไว้ว่า พระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันควานช้างบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึก อันคนฝึกม้าบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึกอันคนฝึกโคบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู <S <S ่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้งแปดคือผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้เป็นทิศที่หนึ่งผู้มีสัญญาในอรูปในภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้นี้เป็นทิศที่สองเป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้นนี้เป็นทิศที่สามเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตัสัญญาโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าอากาศหาที um ่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่สี่เพราะก้าล่วงอากาสานัญจาตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญญาตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่ห้าเพราะก้าล่วงวิญญาณัญญาตนะฌานได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุอาคินจัญญายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งนี้เป็นทิฏที่หเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นทิฏที่เเพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทียิทนิโรธอยู่ นี้เป็นทิศที่8ภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้ง8ปนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยาศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้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 ภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ส่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ส่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกต่อไป พระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นตรัสพระดำรัดนี้แล้วทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้มีความสงสัยว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอด่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย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 แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลูกจากพุทธาจเสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านพระมหากัจร น, นี้เป็นผู้ที่ระศาสดาทรงยกย่อง ทั้งเพื่อนพรมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วพึงสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะ ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะว่าท่านกัจจานะพระผู้มีประภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย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 ใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ท่านกัจจานะเราทั้งหลายคิดว่าท่านมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระาศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อ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 มหากัจจานะอธิบายอุทเทศท่านพระมหากัจจานะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่และเลยโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องแสวงหาที่กิ่งและใบแม้ฉันใดข้ออุปไหม้นี้ก็ฉันนั้น เมื่อพระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ละเลยพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นไปและพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับกระผมแท้จริงพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักสุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความ เป็นผู้ให้อมะตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าท่านกัจจานะ เป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักสุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่เราทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์ พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายจะพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านมหากัจานะเป็นผู้ที่พระาศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนโรมจารีผู้รู้ทั้งหลายโคอรสรรเสริญแล้วและท่านมหากัจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ ขอท่านมหากานะไม่ต้องหนักใจชี้แจงเถิดท่านพระมหากานะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากานะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อไว้ว่า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 และทุกต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้ วิญญาณที่เรียกว่าฟุ้งไปส่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรเือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วมีวิญญาณส่านไปตามนิมิตคือรูปพระผู้มีพระภาคตรัสเรืยอวิญญาณที่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปตรึงไว้ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยคคือความยินดีในนิมิตคือรูปว่าฟุ้งไป ซ่านไปในภายนอกฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโพธะะทางกายแล้วรู้ธรรมารมทางใจแล้วมีวิญญาณซ่านไปตามนิมิตคือธรรมารมพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมผูกมัดไว้ ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือธรรมรมว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกวิญญาณที่เรียกว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างนี้ วิญญาณที่เรียกว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามนิมิตคือรูปพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปผูกมัดไว้ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือรูปว่า ไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโพธภิภะทางกายแล้วรู้ธรรมารมทางใจแล้วมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามนิมิตคือธรรมารมพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมตรึงไว ที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมรมผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือธรรมรมว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกวิญญาณที่เรียกว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างนี้ ที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างไรเคอภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สังฎงจากการและอุติธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารณ์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณสร้างไปตามปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในปิติและสุข อันเกิดจากวิเวกตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจาร์สงบระ ง, งับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณร้านไปตามปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิผูกมัดไว้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 ภิกษุนั้นมีวิญญาณสร้างไปตามอุเบกขาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุทถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณสร้างไปในอทุกขะมสุขพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในอทุกขะมสุขตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขผูกมัดไว้ ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในอทุคมสุขว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในจิตที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้ จิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สังัดจากรกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในปิติและสุข อันเกิดจากวิเวกผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารณ์สงบ ร, งระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่สซ่านไปตามปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิต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 เสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามอุเบกขาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องจิตที่ไม่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกาขก า, กบาผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายใน อีกประการหนึ่งเพราะละสุขได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุทัชฌันอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามอทุค ข, ขมสุขพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในอทุค ข, ขมสุขตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในอทุค ข, ขมสุขผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในอทุค ข, ขมสุขว่า ไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในจิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้นนความสะดุ้งเพราะตามยึดมั่นเป็นอย่างไรนนคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สะดับ <S 2> <S 2> ไม่ได้เห็นพระอริยะ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 เพราะความที่รูปแปรผันเป็นอย่างอื่นเขาจึงมีวิญญาณคล้อยตามความแปรผันของรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมอังเกิดจากการคล้อยตามความแปรผันของรูปย่อมครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้มีความหวาดหวัน่นคับแคนห่วงใหญ่และเพราะตามยึดมั่นเขาจึงสะดุง้งพิจารณาเห็นเวทนา พิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างวิญญาณนั้นของเขาย่อมแปรผันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่วิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นเขาจึงมีวิญญาณคล้อยตามความแปรผันของวิญญาณ ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปรผันของวิญญาณย่อมครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้มีความหวาดหวัน่นคับแค้นห่วงใหญ่และเพราะความยึดมั่นเขาจึงสะดุง้งความสะดุ้งเพราะตามยึดมั่นเป็นอย่างนี้แหล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 ไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างรูปนั้นของท่านย่อมแปรพันธ์เป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่รูปแปรพันธ์เป็นอย่างอื่นท่านจึงไม่มีวิญญาณคล้อยตามความแปรพันของรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปรพันธของรูปย่อมไม่ครอบงำจิตท่านตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงา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 วิญญาณ น, นั้นของท่านย่อมแปรผันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่วิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นท่านจึงไม่มีวิญญาณคล้อยตามความแปรผันของวิญญาณความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปลผันของวิญญาณย่อมไม่ครอบงำจิตของท่านตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่มีความหวาดหวัน่นไม่คับแค้นไม่ห่วงใย และเพราะความไม่ยึดมั่นท่านจึงไม่สะดุง้งความไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเป็นอย่างนี้แล<อ>ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อไว้ว่า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 แล้วไม่สรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารสรงลุกจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่สรงชี้แจงโดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายเมื่อหวังพึงเข้าไปเฝ้าแล้วสอบถามเนื้อความนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใด ท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิด